บันทศพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่14เมษายน2566ณวัดป่าบันตาด จ, จังวัดอุดรธานีฐานเป็นที่รับรอง ธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั่นนั้น ขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจ ของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยยะอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทยัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ มดนนอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธเป็นผลเกิดขึ้นจาก มักคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคนนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดัน ของสมุทยัยได้แจกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกัน้นกลางทางที่จะเดินออกมา แห่งตัวข้าสิกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาขรานตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้ว ก, กั้นคือศีลมีรั้ว ก, กั้นคือ สตมีนายทาวานผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความขนองได้แก่ปัญญา ปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกทุกท่านนี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกสมุทยัย นิโรธมักองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรณาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไ่ว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือ ว่าเป็นสาบสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจจะทำทั้งสีน่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ไปได้ลากเง่าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้ รากเงาแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้ณรากเงาแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นค่าศึกต่อตอนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคําว่ารากเงาแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะ รากเง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเครื่องปัญญาที่จะปรดเครื่องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆ ท, ท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุท ธ, ธเจ้า เป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วๆไปบรรดาที่ได้ประพฤติธปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอาวาสานอาวาสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งมิมุติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้น บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้น ไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเ้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจจึ่งซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกทุกท่าน ขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกๆุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเอง ในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสั์กับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยม ทั่วทั่วไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายค่าศึกศัตรูต่อเราส่วนมากกับนิโรดนั้นเป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้ เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องพัวพันกับตน จนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัตว์ล้วนเป็นอริอรยสัตว์คือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัตว์อันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติ ด้วยความภาคความเพียรทุกทุกประยุก์ให้เห็นแจมแจงในสมุทัยสยัตว์จนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์คนคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจมแจงชัดเจน ประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคําว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันลุ่นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกันกบทุกซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการพอนถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลาย ที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทาหน้ า, นาที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญา อันเป็นธรรมเครื่องแก่ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมากระจักกับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกทั้งทุกทางกายและทุกทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่ง เห็นชัดในสมุทยัยอันเป็นแดนผิดทุกว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่า ทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมักโดยความเป็นของจริงกระจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าก่อนจะ ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระไทยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสีน่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้น นั่นคือพุทธโธ ท, ที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทธโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทธโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศ เทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นหรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจะทำทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุโทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่า พุทธที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุโทโธที่บริสุทธิ์ล้วนนแล้วก็นำไปประกาศภาษาศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใคร่ที่จะ ทนทุกขอยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วละประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคา่ะสำเร็จพระอนาค่ะ และสำเนจพระอาหารหันขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอาหารหันของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้ว ยังกลายเป็นศักดี์พยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้ นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่าง ซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกๆุกดทุกทุกหยาดและทุกทกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระตัตฐาไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหารต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกลางวานอยู่ณนภะายในกายภายในกายกับใจของเราทุกทุกขณะจงพินิษพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณนะภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้ การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกสมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจมแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุ ก, ท, กทุกท่านความเพียรทุกทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสำประยุทธ์ ด, ด้วยสติและปัญญา มีอิทิมาต ท, ทั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิษพิจาณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผย อ, อยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลา เหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกให้ถึงหลักความจริงของทุกหลอกเรื่องของสมูทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่กรุงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกสมูทัยอันนี้ ทุกสมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกและสมุทยัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอาันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนนโรทะ เมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคในดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยยอมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไม่ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเอื้องนิทาศักดานุภาพและอำนาจวาสนา ทุกๆอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวันและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบําเพ็ญของตน ด้วยความขยันมันเพี้ยนโดยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุ คือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตาม ใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทยัยไม่เคยเป็นลูกเตาเหล่ากอและหลานเหลียญญาติวงศ์ของไค ท, ทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ด โดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะเป็นฆาศึกหรือจะเป็นมิขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกสมุทัยนิโรธมักจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูก เรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูก้าวเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทไทยสมุทไทยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกจึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆอยไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูก พ่อแม่คือแดนขิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยเฉยย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุก์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยเฉยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้น เพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่ว อันใหญ่ที่สุดก็ดีจะห น, นีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทาด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นาศนาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมากคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาศัต์ทั้งหลายให้ดำเนินตาม ทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทมทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระาว่าดคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิ ญ, ญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนําผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกไปได้โดยลำหนับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาก จนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกๆ ท, ท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจจะธรรมที่ไม่เป็นของลี้รับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ทุกจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญ กายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวกขาตธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปรื่องเรื่องของสมู ท, ทย คือเรื่องถูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลําดับลําดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสนพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างแต่จะปริยันโตกมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกากับรักษาก จ, จิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพานตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำ จิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแน้วโดยการพิจารณาอย่างใดและโดยพิจารณาอาการใดทาบทใด โปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชํานิชํานาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับบันจะมีความสงบ เ, เยือกเยน็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นชั้นและประจักษ กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลนาการอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอันนี้จังคือความแปรสภาพ อยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเพื่องตนออกจาก ปลายรักทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตี ร, ราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้ว และพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแกเวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอใหยเป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรนักษ์อย่างสมบูรณ์ แล้ว ถ, ถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจมแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแลเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกาย จะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญายอมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้ กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกทุกายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ ต้องเป็นหน้าอย่างนี้นี่เป็นอุปท า, านอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปท า, าน ในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นตน้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้ว ปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้จะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตรยลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนา ชุกทุกเฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบครอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจะเป็นปัญญา ท่านกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปประขันและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันด้วยสามารถ ทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านนียวมาทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่ง คือเรื่องของอภิชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแผงกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ เก้าไปถึงสามระยะตามที่กล่าวมานี้แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกตดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถ มาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้ว เรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเว็ น, นี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์นิมุตพระนิพานจะไม่มีใคร มาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรณาทุกทุกท่าน โปรดได้พิจรารณาเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสีน่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุ ท, ทยัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัจก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมา จำพอใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทําอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเจกสรรพั้นยอแต่อย่างใด เหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบว่วได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดี ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องรักหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจ จากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัตว์นั้นได้ด้วยน้าบัตรนี้อริยสัตว์เป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลาย ท, ทุกทุกท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัตว์จะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเรา เราจะหายสงสัยในเรื่องพระศิษยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกๆพระองค์แม้จะปรินิพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นดาวตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกๆ ท, ท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเรา จะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆหน้าผายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัตในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงท่วงกิตใจของเราไม่ใช่น้อย การประกอบความเพียนเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทําหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลาย จะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตสาห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระาว่าธครสอนของพระ พ, ธธพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัย ในอวาวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระตนะไตรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล่าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตนโดยทัหนากันเถิด